บุกทูเจ็ดสิหตเชเหตุผลบางประการสองดลิลอวร์แดนเบรอยชิซีดูทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับชโรโตไนโอแมดีผมไม่สบายครับ มันมารีสบูดมผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับมันนายอมาดามศีรอมารีบูดามทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับชโรอูน่ายอมาเดเธอเหนื่อยครับอูคาสเตบูดเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับอูนายอมมา ช و ن خ สเ ه บู د ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ چرا อูน ی ย م د ه เดเขาไม่มีอารมณ์ครับอ و ح و เ ل ه نداشت เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับอ و น ی ย م มาดซีโรโฮเซเลน่าทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ ช่มานยมัดีรถของเราเสียครับขยมอบาเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับมนยมัดชนขดรยมอขรบาสทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับช่มาดมนยมาพวกเขาพลาดรถไฟครับ ها به พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับอันฮ่าเนยามัดดันด้วยเ ر ราะก د ดทำไมคุณถึงไม่มาครับ چ ช ا تو ن ی ا ย د ی ดีผมไม่ได้รับอนุญาต اجازه نداشتم ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตมันนายอมาดาม0เจาะเจานาดม